ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งทำจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องเจโตขีะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยตะปูตรึงจิตข้อที่หบรรก่อนเราได้พูดถึงลักษณะของจิตที่มีความเคลือบแคลงสงสัย ไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมะภาคปฏิบัติบทสรุปในพระพุทธศาสนารือพูดไปพูดมาการปิบัติทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ใตรจิกานี่เองแม่จะมีความแตกต่างกันในเชิงภาษา ยกตัวอย่างว่าเรามาพิจารณาว่าอนัตถโมหิมุนังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่รงพ้นความตายไปได้ใน ต, ตัวความตายเนี่ยเป็นสภาวะธรรมคือเป็นสภาวะของคู่กษษุศลแต่การที่จิตไปยึดมั่นหรือมั่นในอัตตาตัวตน จนเกิดไปเสษความตายคือไม่ชอบความตายไม่ต้องการความตายก็เป็นอาการของสมุทัยสัตว์เพราะเมื่อปัญญาพิจารณาจนเกิดความเข้าใจใจมันก็จะมีความสงบจากกิเลสไปโดยลำดับพอจะถึงจุดหนึ่งปล่อยวางได้มันก็เป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาไปนในตัว เรการปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าโดยประยายอะไรก็ตามก็เสร็จแล้วก็คือสินสมาธิปัญญาหรือการไม่ทำบาปั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผองแผวนั่นเองในข้อต่อไปรับสั่งว่าลูกภิกษุทั้งหลายประการหนึ่งพิกษุเป็นผู้โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุ มีใจดุดตะปูในเพื่อนปรมจันทร์ทั้งหลายนี่เป็นลักษณะ ส, าสะภาพจิตที่มันมีความโกรธความโกรธคือจิตที่มาเริ่มจากหงุดหงิดไม่พอใจรองคาแล้วก็เกิดโกรธระยะสั้นหรือระยะยาว ถ้าโกรธระยะสั้นๆเขาเรียกว่าโกรธเฉยๆแต่ทิ้งช่วงยาวขึ้นเขาเรียกว่าปุกโกรธทนานไปก็เรียกว่าอาฆาตคือพยาบาทแต่นี้ถ้าออกมาเป็นรูปของการบันดาลแก่โทสะหรอือร่วมอนาจแก่โทสะมีการประทุษร้ายทางกายทางวิจาหรือแม้แต่ใจที่มุ่งความพิบัติให้เกิดขึ้นแก่คนที่ตดนโกรธ เขาเรืยกวโทรศัพท์คือเป็นสภาพปิตที่ประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นจนถึงก็พูดออกไปทำออกไปเพราะโดยเห็นว่าพอพูดออกไปทำออกไปมันก็เป็นเรื่องบิดสีหนัแต่ตอนคิดเนี่ยมันก็คือสภาพจิตที่แปรผันไปรืยอำนาจของโทรศัท์ก็จะขาด ธรรมะไปเรื่อยๆคือขาดไม่ตาไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นความรุนแรงเพรพฤติกรรมทั้งหลายในโลกมนุษย์นี่มันจะมีความหลากหลายในเชิงรูปแบบแต่เราไปดึงกลับมาสู่สาเหตุหลักก็จะเจอโลกกุดลงในกรณีที่เป็นเหตุการณ์รุนแรงต่างๆในโลก เมือนอะรจะเกิดขึ้นแก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ตาม ป, ปรรดาเรื่องความโกรธคือการกระทบกระทัทงเนี่ยอย่างที่ยกไว้ในวันก่อนว่าอารมณ์ของคนมันเหมือ น, นก็คลื่นถือไม่นิ่งมันจะถูกโยครนหวั่นไหวไปตามแรงลมหรือแรงคลื่นหรือผสมผสานกัน แล้วก็กระทบกระทั่งนิดกระทบกระทั่งหน่อยอย่างยกตัวอย่างพระที่จริงค่อนข้างกว้างไปเนะยเพราะว่าอยู่ในวัดวารามก็คขมากจะเอาดูว่าเฉพาะสามีกับพัญยาพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องซึ่งใกล้ชิดกันเนี่ยเอาขนาดใครโกรธใครสักคนหนึ่งก็ยุ่งละ คนที่โกรธนั้นจิตใจจะไม่สงบแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ขาราคาสังเนี่ยมันจะรุนแรงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็ฆ่ากันได้สามีพัญญาก็ฆ่ากันได้พ่อแม่ลูกยังฆ่ากันได้พี่กับน้องเนี่ยฆ่ากันได้นั่นแสดงว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นความรุนแรงทางอารมณ์ เพราะฉะันถ้าหากว่าใครก็ตามคือในที่นี่ก็ส่งยกภิกษุว่าภิกษุนี่ถ้าโกรธคนนั้นคนนี้คนโน้นเธอก็ไม่สงบงหรอเธออยู่มันเป็นสุขพูะเจ้าเคยให้พรานนนดูสุนัขตัวหนึ่งสุนัขเป็นขี้เรือนนะฮะเก้ไปนอนในที่ใดที่หนึ่งแล้วประเดี๋ยวก็ เอาคันแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีต่หาที่เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆไอ้แก่ก็ต้องเกาแล้วก็เปลี่ยนที่ไปเพื่อจะทรงแสดงให้ปราณนนท์ดูว่านี่ดูสิคือสุนัขเ น, น่เธอคิดว่าที่มันมีปัญหาโดยไม่เข้าใจว่าตัวเธอมมีปัญหาแล้วเธอไปแก้ที่ตัวสถานที่ไป แ, แก้ไปแก้มามก็แก้ไม่ได้ เราปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ผิวหนังก็เถอซึ่งเป็นคีเรือนเพราะนั้นคนเราก็เหมือนกันนะ่ะคือเราจะเห็นว่าเราพยายามที่จะแก้ที่คนรื่นบางทีมันก็ลามเลยเพราะเช่นเกิดไม่ชอบใจไม่พอใจคนใดคนหนึ่งต้องการที่จะตัดปัญหาไปเลยคือฆ่าก็าทิ้งเลยแล้วตัวเองทีเนี้ยมีเรื่องตามมาอีกเยอะเลยติดคุกติตราประสบความทุกข์ทรมาน มีการถูกปรธสประมาณดูถูกดูหมิ่นญาติวงศ์พงสาก็ปล่อยเดือดร้อนตามไปเป็นแถวเพราะอะไรเพราะว่าความโกรธมันจะบิดบังเหตุผลสติปัญญาทำให้คนตัดสินใจระยะสั้นๆแต่ไม่มองระยะยาวๆบางค ร, ราวที่คุณเจ้าทรงยกตัวอย่างชีขาวุกุมาน คือพระราชบิดา น, นั้นถูกพระเจ้าทีกิติโกศลก็จับฆ่าพระราจุกมานตอนตรงพระเยาก็หนีไปได้แล้วก็ปลอมตัวมาดูพ่อในลานรหารพ่อก็ลัวว่าลูกจะลูกอำนาจเกโทษะขึ้นจึงให้สติเตือน เดี๋ยวคุณสมเด็จพระสังฆ ร, ราชเจ้ากรมหลวงวิชิรยานวงศ์ทรงแปลข้อความตรนีไว้เป็นฉันว่าอารูนดวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานจะเห็นแก่สั้นเกินการเพราะเวรไปรานระนับพระผูกเวรกันซึ่งหมายความมาสภาพจิตของพระตรูวมานะโกรธแค้นอาฆาตพยมบ แล้วถ้าเธอแสแดงอะไรรุนแรงออกมาในขณะนั้นเนี่ยเก็ตายเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งจะตายตามพ่อแม่ไปคแนแสดงว่าที่โบราณท่านพูดว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อหมายความมาต้องการจะครอบขันสมาคมกันยินยาวเนี่ยมันต้องตัดไอ้พวกลุงรังทั้งหลายออกไปความโกรธความริษยาความแข่งดีความหึงหวง การบิดเบีน ต, ต่างๆเนี่ยมันบั่นทอนตัดรอนทั้งนั้นเราจะไปมุ่งไปสนะูคค่อนาคตที่สดใสไม่ได้แต่สภาพจิตยังเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็ต้องตัดต้องตัดปัญหาต่างๆเหล่านั้นออกไปอย่าไปต่อความยาวสาวความมืดพอต่อความยาวสาวความมืดมันก็ลากไปเรื่อย ดังนั้นก็ให้มองไปที่การยาวนานอย่เห็นแก่ระยะสั้นๆต้องการความสะใจต้องการวความมั่นในอารมณ์บอได้แก้แค้นแล้วได้ตัวตอบแล้วได้ประหรประหารไ่ายตรงกันขับไปแล้วเรอสุตรราชกุมารก็เชื่อตรงเนี้ยสติปัญญาก็เริ่มคิดเพราะสติปัญญามันมาเนี่ยคือโทสะมก็ลด เราจะลืมวสติปัญญาและนําไปสู่เหตุผลโทษะนี่เป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่วาสติปัญญาเนี่ยเป็นเหตุของความสุขได้สุด ร, ราชกุมารก็พัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเป็นความชำนิชำนาญหลายทางในเรื่องพิ์บ้างในเรื่องขับรถบ้างในเรื่องการต่อสู้ด้วยอาวุธต่างๆบ้างแล้วก็ เป็นที่สุนประไทยของพระเจ้าทิกิติจจนถึงกับรับเข้าไปไว้เป็นมหาเล็กไรชิสนิสนมตามพระเดชจนไปในป่าด้วยันพระเจ้าทิกิติบรรทมหลับบนตักของพระราชกุมารพระจุมานทักดาบขึ้นมนาะแตต้องการจะฆ่า การจะแก้แค้นก็นึกถึงคำเนี้ยอาดูนรวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานะงับประภูกเวรกันก็ในที่สุดก็เลิกคิดฆ่าพอประชาชตื่นบันทมก็เล่าให้ ฟ, ฟังความบินหมาของตัวเองทั้งหมดประชาชก็ขอบระไทยแล้วก็ชื่นชมแล้วก็คืน ครุงภารสาีให้พร้อมด้วยมอบพระราชาธิดาให้เป็นมเสีก็ได้เป็นกษัตริย์ที่ร่วมสวนอภัตพีเดียวกันได้เราลองสังเกตวิธีการคิดวิธีพรกกิที่เดียวเรื่องในร้ายทั้งหลายมันยุติแล้วก็กลายเป็นเรื่องดีงความโกรธจึงทรงสแสดงไว้ในช่วงต่อไปบ้า ดูกรณ์พิสูจทั้งหลายจิตของพิสูจน์ที่โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุตะปูในพื้นพรหมจันทร์ทั้งหลายแต่จิตท่นนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะคือจะไม่น้อมไปสู่ความเพียรพยายามที่จะแปรเผากิเลสภายในจิตตัวเองให้เล่าร้อนหรือว่ามีการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่อง ตรงนี้จะส่งใช้บ่อยนะเพราะว่าในศาสนาพุทธคือที่จริงมันชีวิตทุกชีวิตนี่แหละความเพียนพยายามต้องต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็ขาดสายแล้วปัญหาก็จะติดตามมาอีกแล้วมันก็ทำมองคล้ายๆกับกระต่ายที่วิ่งวิ่งหยุดจุดเสียเชิงชาติพันธุ์ของกระต่ายวิ่งวิ่งแข่งแพ้เต่า เพราะต่อมันมีความต่อเนื่องกระต่ายมันไม่ต่อเนื่องเพราะการกระทำความเพียนโดยติดต่อเนี่ยจนถึงเกิดความเพียนตั้งมัน่นคือเรียกอรัตถะเโยวิหารติอยูด่ด้วยความเพี่ยนอยูด่ด้วยความเพียนทั้งกลางคืนและกลางวันแต่เพราะใจมันประกอบด้วยความโกรธด้วยความคิดประทุษร้ ยกตัวอย่างเช่นเช่นเรานั่งในห้องสักห้องหนึ่งนีมีคนที่เราไม่ชอบนั่งข้างข้างก็ดีนั่งข้างหน้าก็ดีนั่นขงข้างหลังก็ดีเนี่หราอจะงุนกิดเราจะวิตกกังวลจะหวาดระแวงแล้วเวลาสมมติว่าที่ประชุมเขาลุกลุกขึ้นเี่ยเราต้องรีบรุกขึ้นนั้นแสดงว่าในขณะนั่งอยู่ใจก็ไม่สงบ แล้วจนเกิดอาการสะดุ้งหวาดกลัวรีบที้งเอาไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าความคิดมันแรงกว่านั้นก็อาจจะพระทุสรายเขาตรงนั้นก็ได้สแดสแดงแสดงว่าแรงเกินเหตุแล้วหรือเป็ น, น้งก็อาจจะออกไปแล้วก็ไปซุ่มไปพระทุสรายเขาึือแต่และเรื่องนี้มีปัญหาทั้งนั้น มีความโกรธเป็นเหตุมีความโกรธเป็นต้นค้าวมีความโกรธสร้างให้บังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเราเจอพวกว่าพราะพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของความโกรธไว้ก็เรียกว่าอนเนกกับปรียายนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างมาเสมอว่าปัญหาทั้งหลายที่เกิดในโลกเนี่ยถ้าเราสาวไปถึงรากงาวแล้วมันไม่อื่นไปจากโลกกดลง หรือแต่เรียกกระเต็มที่ก็ไม่อื่นไปจากราคาหลวพระโทสะโมหะบรรดาังคับบ า, ากลายเป็นมายุตตสงครามเขียนฆ่าทำลายล้างกันล้างพรานกันเมื่อก่อนนี้ได้ฟังรายการที่วิทยากรเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริการเรือบรรทุกเครื่องบินอับรามดินคอร์ ที่มาในประเทศไทยคือท้าเรามองอะไรได้อย่างไรว่าเป็นการสะสมโดยสายเลือดคือถ้าเรามองภาพการสร้างชาติของอเมริกามันจะมีลักษณะพิเศษเพราะว่าระยะเวลาการสร้างบ้านเมืองเขาก็สองร้กว่าปีเท่านั้นเองคือเป็นชาติที่ลุยไปข้างหน้า เพราะว่ามีการไล่ล่าอยู่ข้างหลังเป็นการหนีภัยทีนี้ต้องการเอาตัวรอดได้วิธีคิดที่ลุยไปข้างหน้าของเขาก็คือว่าเจอก็ฆ่าเลยเพราะเราเห็นว่าอินเดียนแดงอะไ ร, ต, รต่างๆถูกฆ่าเยอะและพวกกฝรั่งเศสอะไ ร, ต, รต่างๆที่บุกพันกันในยุคนั้นก็ตายกันไปเยอะ ไปจนกลายเป็นสงครามขึ้นในชาติพันธุ์ตัวเองนั่นก็คือยุคของอับรามอินคอร์ตมันก็มีลักษณะที่ลุยไปข้างหน้ามีประโยคประโยคหนึ่งที่ผู้บัญชาการเรือเขาเขาใช้คำเนี่ยคือเราเห็นเออที่เขาสะสมโดยสายเลือดมาอย่างนี้นะ็นมิธีคิดคือถ้าถ้าเราสาวเนี่ยเราจะเห็นว่า มันสืบเนื่องมาจากไอ้ตาต่อตาฟันต่อฟันรอยแผลต่อรอยแผลรอยไม้ต่อไรไม้ซึ่งมันปรากฏอยู่ในคัมภีรอ์อนลเทสเมนตแล้วอเมริกาเนี่ยก็ยืมยืมมีอิทธิพลอยู่เยอะมันเอกสารหลักฐานาต่างๆแต่คงจะสืบซับคือท่านใช้คําว่าการตั้งรับที่ดีที่สุดก็คือการรุก หมายความมันจะไม่ปล่อยให้ค่าสึกลงมือแต่เมื่อคิดว่ามันน่าจะเป็นค่าสึกเลยจัดการได้เลยกลัวน้ากัวนะความคิดแหล่นี้มันก็ทาใม้เราคิดเอออย่างนี้เองอเมริกายังทำตัวเป็นตำรวจโลกเพราะว่าวิธีคิดมันต่าง ก, กัน แล้วก็จากฐานตรงนี้คือเราจะเห็นว่ามันไปยึดโยงกับความคิดทางศาสนาคือไปไปตีตราใครก็ได้นะว่าเป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นพวกซาตานเป็นพวกทรยศเดือกระคา้ความคิดตัวนี้จริงๆน่ากลัวนะแต่เราเห็นว่าวิธีของพุทธนั้นมันใช้เห่ผลสติปัญญา ว่าเอาโทสะไปนำไม่ได้เอาโลผ้าไปนำไม่ได้เอาราฆะไปนำไม่ได้าาาไไไดว่าถ้าเอาพวกนี้ไปนำละคุณก็ยุ่งรุกทีละรัะจึงทรงแสดงโทษโดยความเป็นโทษของโทงสะจึนทรงแสดงไว้ในกุตการิกายชาดุคุต ก, กาิบาศว่าในสาธุโกรโถความโกรธไม่ดีเลย โกรธมากโกรทน้อยโกรธอะไรก็ไม่รู้ไม่เดียวมันเป็นการทำลายสุขภาพจิตเป็นการทำลายคุณภาพของจิตแล้วเป็นการทำลายบุคลิกภาพหรือคนเราเวลาบันดานโทษะเนี่ยจะกำกับอะไรไม่ได้เลยก็ยประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วก็วประมาณปศสัมพันธราศสิบส คือมาเองอาจจะมีชีวิตอยู่ในเวทวงของของวัดวาอารามเราก็เป็นเด็กวัดเราก็เป็นสามเณรเราก็เป็นพระมาเราก็ไม่ค่อยพบเห็นอะไรที่มันแรงๆโดยเฉพาะคนโกดังแรงเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลันีก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งลงมาซื้อพิมสยามรัฐอาเป็นภาพของ อดี่สามีพันยากันแล้วก็พันยานั้นก็เลี้ยงดูลูกเป็นผู้หญิงแต่สามีก็ต้องการทวงลูกสิทธิในการเลี้ยงดูไปก็พูดจากันไม่ตลกลงก็แย่งกันเลยโอ้พันยากโกรธโกรธน่ากลวมากๆเลยคือเส้นเอ็นเนี่ยมันขึ้นําใบหน้าแอ่ผมนี่มันฟูแล้วมือนี่มันเกรง็ง ท่อทางน่า ก, กลัวแล้วก็โอ้โหคนโกรธแรงขนาดนี้แหละเลยก็ตัดภาพเัวเนี้ยเอาไปเป็นอุปกรณ์สอนนักเรียนที่โรงเรียนชีวิทยาอยู่สองสามปีแต่ภาพนี้ทีหลังก็หายไปเราก็ไม่เคยเจอคนโกรธรุนแรงขนาดนั้นอีกแต่นั้นก็ไม่ใช่คนนะฮะเราก็เห็นภาพเฉยๆแล้วก็ทำลายปกลิกภาพเสียเรื่อง เสรื่องจนถึงก็เสียคนไป เ, เพราะการกํากับควบคุมความโกรธเนี่ยถ้าเราเข้าใจขัดประโยคสั้นๆอย่างเนี้นะครับประโยคว่าความโกรธไม่ดีเลยเนี่ยไม่ดีเลยแล้วต้องโกรธทํำอะไรเห็นไหมเราเรามองโทษขนาดนี้ยพอแล้วว่าความโกรธไม่ดีเลยความโลภไม่ดีเลยการลุกเกิดหน้าราคะโลภโทสะโมหะไม่ดีเลย เราต้องการเป็นคนดีเราก็ไม่รู้อำนาจเกี่ความโรากรธจะน้อยก็บรรเทาความโกรธลงไปเดี๋ยวในสังยุตติกายสญญากฤตวรกรับสั ano, ang, ่งว่าโกธโนสัตตมลังโลกความโกรธเป็นดังสนิมจัตตราในโลกเพราะความโกรธเป็นนามธรรม แต่เสน้นนิมของสตราวุฒิหรือของอะไรก็ตามนะะมันเป็นรูปธรรมที่เราเห็นได้ว่ราสน้นหนิมมันเกิดที่ไหนแลวมันกัดกร่อนกัดกร่อนเหล็กกัดกร่อนทองเหลืองกัดกร่อนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมา ก, ก็กัดกร่อนไปเรื่อยๆแล้วพอแก่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะทำลายสิ่งหลนั้นโดยเฉพาเรื่องราวบุคคล ที่ประสบโศกย่างแรงหรือว่าโศกยังแรงความโศกอย่างแรงกับความโกรธอย่างแรงหรือแม้แต่ความโลบอย่างแรงแต่และอย่างเนี่ยที่จริงมันเป็นตัวอย่างบุคคลเพราะคนที่ประสบกับโศกะคือความโศกอย่างแรงกุ้งก orn นะฮะก่อนนะดดก orn กก o เมื่อไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการ มันก็เกิดรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรงท่านมีคนหน้าตาบุญเป็นอาจารย์เป็นเจ้าลัทธิในาศาสนาเชนตอนที่อุบาลีเครือ บ, บดีที่ท่านส่งไปเพื่อปลอมพระพุทธเจ้ามาไป็นลูกศิษ์ของท่านเนี่ยท่านก็ไม่รู้จักประมาณตัวกันแต่ว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งประโยคสั้นๆเนี่ยอุบาลีกลับยอมเป็นลูกศิษย์ ยิงแต่ว่าท่านต้องการทราบอะไรพิจารณท่านก็ทําเสียแซงเป็นไม่เชื่อหลังจาทพระนริสงทราบที่หลังว่าประโยคแรกที่พระองค์รับสั่งเนี่ยท่านพระองค์ก็คิดแล้วว่าพลาดแล้วเพราะนั้นท่านนิคร น, นตัตตะบุตรไปคาดหวังอยู่ครับวาลีกร บ, บดีมาก ว่า อ, อุบาลีคเนลบดีกลายเป็นพระยาบุคคลระดับโสดา บ, บันแล้วก็เป็นพุทธสาวกของพุทญเ จ, จ้าท่านก็เรียกร้องให้กลับมาไปลุกศิษย์ของท่านต่อไปอุบาลีคเนลบดีก็ไม่ยอมโกวธมากพู ด, ด่าแรงด่าไม่ได้เชื่อทีนี้พออย่างไงอุบาลีเขาก็ยืนยันของเขาท่านก็ช็อกเลยกระอักเป็นลุยสดๆออกมา นะหรือว่าไปยกตัว อ, อย่างอะไรล่ะในสามก๊กยุยย์นะครับกระอักเป็นเลืองสดๆนั่น ค, คือกรธดังนั้นพวกเราเนี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามพอมันเกิดขึ้นแรงแล้วเนี่ยมันจะทําลายทําลายตรงนั้นเละก่อนความโกรธไม่ได้ทําลายคนอื่นก่อนะทำลายเราก่อนถ้าเราเทียบเหมือนกับเรากับ ของร้อนๆหรือของสุขปกเพื่อปาคนอื่นเนี่ยเราเพื่อนก่อนแล้วก็ไม่แนวคนอื่นจะเพื่อนทำไมเพราะว่าคนอื่นเขาสามารถรบได้แเราโกรธเขาแล้วเราก็ไปด่าเขาแล้วถ้าเขาโกรธเออเขาก็เป็นบาปไปใจเขาเองมันสนิมเกิดที่ใจเขาเองหรือถ้าเขาไม่โกรธตอบเราก็เดือดร้อนกันเยอะ ตอนวิธีตัวเนี้เคยเจอหลวงพ่อองค์หนึ่งได้ยินนะะคือคือคนมาเล่าฟังมีคนก็มาฟ้องพระพอพระไปว่าเขาเอท่านท่านตัดประเด็นหนึ่งท่านถามว่าพระที่ว่าอย่างนั้นโยมว่าดีหรือเปล่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็ว่าไปอะแล้วที่โยมกําลังด่าวพระนี่ดีหรือเปล่า โยมเลยชะงักเลยท่านก็บอกว่าเมื่อโยมเห็นว่าพระทำอย่างนั้นไม่ดีแสดงว่าพระทำผิดและโยมทำไมจะทำอย่างเดียวกับท่านซึ่งก็เป็นการเพิ่มคนผิดขึ้นโยมก็เลยยอมจงนืนอันนี้เป็นประโยคพูด ง, ง่ายๆแต่ว่ามันก็อยู่ที่สถานะของผู้พูดนี่ยหรือวันทีพูดเขาโกรธตอไปก็ได้ไม่แน่ แล้วก็ทรงแสดงว่าอนัตตะชนะโหนโกธโความโกโรธก่อความขีนาัความโกโรธเนี่ยมันนำเรื่องดึงปัญหาต่างๆมาอีกอันหนึ่ันนั่นโดยวกตัว อ, อย่างง่ายๆอ่ะช่นรามเกียรเนี่ยทาว่าทาราสักกันไม่โกรธพิเทศแล้วก็ให้อยู่ด้วยกัน ให้ช่วยบอกกล่าวใช้ความสามารถในทางโหราศาสตร์บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆพระรามก็ถูกถูกตัดมือตัดเท้าคือไม่มีคนที่บอกไอ้รามเมื่อกี้นั้นคงจะไม่เป็นอย่างนี้แต่เพราะความโกรธเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งคือประทุษรายมิตรเพลงแม้แต่น้องตัวเองก็ขับ้ายได้ ค่อ้างที่เป็นเจตนาดีเป็นกุศลและเจตนาเราลองดูว่าการกระทาของรัศกรเนี่ยมันเป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งว่าคนเราพอเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยมันนึกถึงตัวเองไม่ยิงแก่คนอื่นทีนี้ถ้าใครไม่ไ ม, ไม่มาปนปลืออัตตาของตัวเองก็จะโกรธันประญยัดทั้งหลายก็ยอมเลยตายกันไปแถวไปเลย ตัวอย่างตัวนี้ที่จริงมันเป็นอาการที่เป็นรูปธรรมเป็นอาการของความโกรธที่เป็นรูปธรรมแล้วก็รับสั่งไว้ในสติกานิบาตอังกุตรนิกายนะว่าความโกรธทำจิตให้กำเริบถ้า ร, รุนแรงเนจะเห็นว่าที่ก็บอกเห็นช้างเทาหมูน่เรื่องความโกรธ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค่ายบางเลันมนันเป็นการผสมระหว่างความโกรธความคับแค้นการเมาเหล้าความผิดหวังคนเหล่านี้ไม่พร้อมรบหรอกแต่ว่าวิ่งไปด้วยความคับแคนความผิดหวังความโกรธเมาเหล้าไปกันใหญ่เลยแล้วลก็ตายอย่างน่าเสียดายดังนั้น ถ้าจิตเราไม่โกรธจิตก็จะไม่กำเริบพฤติกรมในลักษณะที่เห็นช้างเท่าหมูวิ่งก็้าชนปังตอเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นดัง น, นั้นคนเราจึงจำเป็นจะต้องมองเห็นโทษของความโกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความโกรธที่เป็นรู ป, ปรธรรมที่ปรากฏเป็นข่าวต่างๆอ่านไมได้ทุกวันแหละอย่างสมมติเร า, าเอาธรรมะเอาโอเควะธรรมะจากข่าว คือแต่ละข้อมันมีธรรมะที่จริงมันเป็นการสะท้อนธรรมอย า, ากจะยกตัวอย่างว่าถ้าเรบมองในมิจฉาทังศาสนาว่าเมื่อสรรพสิ่งมันเป็นอริยสัตว์สิ่งที่เป็นมีชีวิตไม่มีชีวิตธรรมชาติในสังคมหรือนามธรรมมันเป็นธรรมะเพราะไอ้สิ่งต่างหลายในโลกมันคืออาการของธรรมะที่ได้รสสาวได้ลึกหรือเปล่าสาวถึงตัวธรรมะนั้นหรือเปล่า กุศลก็ได้กุศลก็ได้แต่ต้องสาวให้ถึงแล้วจะเจอเลยว่าปัญหาทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มียะแล้วก็ปนกันหมดนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการขับเคลื่อนันไปโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็หมุนกันไปแล้วก็แตกหินก้านสาขาออกไปอีกเป็นนันมากแต่พอดึงกลับ ม, มันก็จะเจอ เพราะว่ามันมามีรากง่ามมาจากอาวิชาด้วยกันสรุปมีรากเดียวแต่กินการสาขาขนาดใหญ่สมมติว่าเราเต็มที่ก็คือราคาโลภตัวสามโมหะแต่ออสักสามกริงนะไปประกบกับใจสิกขาอย่างที่ว่าไว้คือตจสิกขาเนี่ยกิเลสมันยองโลกดรลงใจสิกขากเขเองเป็นศีลสมาธิปัญญา หุดเน้นเนี่ยคือสีนอสนอญญเนี่ยต้องการจะแก้โลคสมาธิต้องการจะแก้โกรธแล้วก็บัญญาตเนี่ยต้องการจะแก้ลงแล้วที่จริงก็คือแก้ด้วยกันมันก็ทํานองอะไรแหละทันมองคล้ายๆกับเราส่องไฟในที่สว่างในที่มืดเนี่ยต้องการจะหาของอย่างไรอย่างหนึ่งโดยเวลาแสงสว่างปรากฏมันไม่ปรากฏเฉพาะเฉพาะที่ของที่เราต้องการหา จะปรากฏในที่บริเวณตรงนั้นด้วยถามาเราเห็นเฉพาะของที่เราหาหรือเปล่าก็เปล่าเราก็เห็นเยอะเพราะการเกิดขึ้นของกุศลอกุศลจะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็อยู่ปนๆกันไปเพียงแต่ว่าอะไรเด็ดกว่าเท่นั้นเองดังการพูดการพูดเรื่องธรรมะเนี่ยมันมือเหมือมนกับพูดเรื่องธาตุดินน้าลมไฟอากาศ โดยเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงมื่อปนกันเพียงแต่ว่าอะไรเด็ดเราก็ถือว่าธาตุนั้นนะเช่นจําแนกไว้เนี่ยการตามที่สองผมคุณและความดังเนื้กระดูกจะในกระดูกมันมันเป็นสิ่งสัมผัสได้จับต้องได้ลักษณะมันแข็มแข็งก็ถือว่าเป็นธาตุิน้ําลายน้ํามูกน้ําเหงือไขข้อน้ํามูดเงือ่เปลือมันน้ําตาอะไรต่างมันก็ถือว่าธาตุน้ําแต่ทั้งหมดที่จริงมันก็ผสมกันอยู่ ยิเลศหรือธรรมะก็จะเป็นเช่นนั้นคือแยกเดียวเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกเขาก็ต้องปนปนกันอยู่เพียงแต่ว่าเขาเอาลักษณะเด่นมาพูดเพื่งก็คนต้องเข้าใจต้องเข้าใจสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเรามีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวนั้นแหละมีสติแต่มีปัญญาหรืออาจจะมีโลภ มีราคามีมีอะไรเราวิริยะมีขันติมันมีอะไรอยู่เยอะในตรวนั้นเนี่ยเพื่อจะก้าวไปสู่การครอบครองสิ่งที่เรารอใจมีธรรมะเกิดขึ้นไหมเจอและบางทีเนี่ยถ้ามีใครขัดขวางมันก็จะมีกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะในก็แสดงไว้หลายแห่งนะฮรับรังว่าความโกรธครอบงำใรส่วนเมื่อใด ความมืดมนอนตะการเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนันแล้วก็จาจใดที่ความโกรธยังไม่ซาลงยังไม่เบาลงพูกัไม่รู้เรื่องหรือเดี๋ยวพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าใจมันถูกครอบงาด้วยความโกรธความโกรธมันเกิดขึ้นจากอาการพื้นบอดว่าถามาโกรธทำอะไรอะโกรธไปทำอะไรมันได้อะไรจากความโกรธ อย่างเมื่อวันจันทร์ที่หนึ่งพฤษภาคมมีโยมคนหนึ่งที่โทรมาถามเรื่องว่าแล้วเขาเป็นคนอาชีพธรรมดาลูกจ้างธรรมดาแต่ถูกคนอื่นโกงเงินไปถึงสองแสนกว่าเนี่ยให้คิดยังไงมันแค้นไม่หายก็เหินว่างเงินเนี่ยมันเสียแล้วเออราโกหใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นการทำลายสุขภาพจิตของเรา เราาโกรธเงินมันกลับม า, าก็นาโกรธอ่ะโกรธแล้วเนี่ยสุขภาพกิตเราเสื่อมลงจิตใจไม่ส ง, งบมีความรุนแรงจนถึงกับนอนไม่หลับมีความอาฆาตพยาบาดเมื่อต้องผ่ามันได้ไรเงินมันก็เสียไปแล้วอย่างเนี้ยอย่างจริงจริงมันก็เหมือนกับครอบครัวที่ตายไปที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่า การร้องหยมร้องไหเ้เสียวเสียใจประการพระรัรกสูญเสียจากผู้เยชนคนที่รักนั้นมันไม่ควรทําเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดเราเห็นชัดเจนคือเรื่องเนี่ยญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราร้องหยงร้องไห้หเสียวเสียใจไรเพราะเขาก็ตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดแล้วตัอสองสุขภาพประาณาไม้เราก็จะเสื่อมลงในขณะที่ยากติคนหนึ่งตายเนี่ยเราสุขภาพสุดมสมทรุดโมเลย เลยญาติพี่น้องมาพบเห็นเราเศร้าโศกเสียใจ ร, ร้องห่วงร้องไห้ก็จะปล่อยเศร้าโศกเสียใจตามมีตกกังวลตามเดือดร้อนตามมันขยายผลเป็นความทุกข์เพิ่มขึ้นแทนที่จะขีดเส้นความทุกข์ก็อยู่เฉพาะคนที่ตายคือมม น, นาความตายมันเป็นทุกข์เขาก็ตายเขาก็เป็นทุกข์ไปแล้วทีนี้คนที่มองเราเป็นศัตรูเนี่ยเขาก็สะใจเขาก็ดีใจเออเห็นเราประสบควา ม, มิบัติเดือดร้อนเขาก็สะใจ ไม่เกิดประโยชน์ไรเพราะนั้นจริงๆมันกรณีเดียวกันกรณีที่เงินถูกช่อโกงไปเนี่ยคือถ้าเราจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ทำไปแล้วต้องยอมรับความจริงนะฮะว่าการต่อสู้ในโรวงศาลเนี่ยมันนานแล้วเสียเงินเสียทองเยอะก็เรียกว่ามันอาจจะเข้าสภาพที่โบราณท่านพูดไปเสีย้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย เสืมันเสียเท่าที่เสียไปแล้วใหญ่ยยเสียต่อเพราะว่าต่อไปนี่ยคือการทำเติมตัวเองเมื่อก่อนในคนอื่นเขาทำเราแต่พอเราโกรธเราคาดพยาบาทเราจงเวรเรานอ น, น, อนไม่รับเรากระสรับกระสายเนเราทำตัวเราเองมันแสดงว่าความมืดมดมันปิดมันเกิดขึ้น่ะเพรงงาะงำจิตใจเราละเราไม่สามารถจะกำหนดทิศทางควบคุม เส้นทางของชีวิตเราให้อยู่ด้ดยปกติสุดได้แี่ถ้าเรามองลึกไปอย่างนั้นเื อ, อย่ยก็อย่างๆๆมีคนเขาเล่า้ฟังหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อชื่อทองทองแล้ว ก, ก็เรียกว่าหลวงพ่อทองดีอะไรท้าก็บอกเออดีเนาะดีเนาะดีหนอด้วยเลยนะฮะดีทั้งนั้นเลยจนถึงคราวหนึ่ง คือหลานของท่าน่านเรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็บวชพระบวชเนนบวชเนนบวชพระแล้วก็ศึกออกไปบคบเพื่อนไม่ดีเพกกื่อเขาชวนไปปล้นไล้ลูกศิษย์ก็มาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อเพือพ่อนชวนผมไปปล้นเนี่ยไปปลน้นเขาดีไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะพอได้รู้รสชาติของรางเสบ้าง อันนี้ก็ไปตามเหมือนฟังไม่ได้จับอ่ะไว้แล้วก็ปรากฏว่าไม่ถึงกับโรดหนอกไปดูต้นทางแต่พอดีตำมูดเข้ามาโจมมันวิ่งหนีกระจัดไปคนละทิตทางตัวเองก็เลยถูกจับก็ในการตำมาก็ติดคุกโกรธมากวกว่าตัวเองติดคุกพรมหลวงพ่อก็แหกคุกมาหนีคุกมามาหาหลวงพ่อโดยเฉพาะใยตองการจะ้ฆ่าหลวงพ่อว่าตัวเองติดคุกเนี่ยพาหลวงพ่อ ติงเกก็ปอกตงๆหลวงพ่อก็เออก็ดีเหมือนกันนะฆ่าฆ่าจะได้ก็ดีเหมือนกันก็อยู่มานานแล้วตายสักทีก็ดีเหมือนกันพูดไปพูดมาอันนี้ชักใจอ่อนบอกออผมไม่ฆ่าหรอกผมฆ่าหลวงพ่อผมก็ติดคุกต่อไปอีกหลวงพ่อเออก็ดีเหมือนกันไม่ฆ่าฆาดก็ดีเหมือนกันจะอยู่เฝ้าวัดญาติโยมเขา ต่อไปจนกว่าจะตายเพราะจริงๆเนี่ยคือเงินนี้เนี่ยมันต้องพรากคือได้มาเพื่อเสียแล้วก็เสียเพื่อจะไดะ้ซึ่งอะไรมากอะไรน้อยเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดาดังนั้นถ้าเราใช้เหตุผลสติปัญญาเราก็เสียเท่าที่เสีย แต่ถ้าเราไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่สติปัญญาเดี๋ยเงินก็หายนะครัุณภาพจิตก็หายไปความสงบสุขความนอนหลับสบายตื่นเป็นสุขนอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเนี่ยมันหายไปหดเลยกลายเป็นเรื่องไม่ดีขึ้นมานี่ก็เพราะความโกรธเป็นเด็กเพรานันจึงส่งให้สติว่าความโกรธน้อยแล้วมากมันเกิดจากความไม่อุดทน จึงทวีขึ้นคือถ้าเราทนแล้วก็จบคนด่าก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเราอยาเยตัวไปรับอลองดูที่เราดูละครที่่ตัวละครมันทะเลาะ ก, กันในในละครแล้วทำไมเราดูแล้วเราก็ชอบฝ่ายหนึ่งไม่ชอบฝ่ายหนึ่งทีนี้แต่คนที่เราไม่ชอบถูกด่าเนี่ยเรารู้สึกสะใจ แต่ปกคี่เราชอบถูกดา่าเราจะไม่พอใจคนดา่าถ้าถ้าถึงเป็นละครคนเรานล้วก็ทำมาให้กินก็จะเฉยเราจะไปเดือดร้อนอะไรครับนั่นก็แสดงว่าคนนั้นน่ยมันละเลยเหตุผลสติกัญญาไปแต่ที่สำคัญอย่างนี้คือเราทนได้ทำไมทนได้เพราะเราไม่เอาอัตตาเราไปรับ เราไม่มีความรู้สึกเ้าด่าเราตรงใดที่เราเราไปรับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถูกด่าตรงนี้มันคือคือมนุษย์เราในยอัตตามันต้องเล็กคือเราเป็นอะไรก็ช่างอมันไม่ใช่ว่าต้องไปแบกอัตตาเขื่องๆอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ไงก็ได้ก็อยู่กง่ายๆอยู่สบายสบาย แล้วก็ไม่เดือดร้อนกับกระแสะของอารมณ์ที่มากระทบมันจะเป็นยังไงก็ได้เพความอดกั้นความหมดคนเนี่ยึงคือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในแวดวงของคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนให้สติชี้แนะอาจจะจนถึงก็งตตำหนิกันแต่อย่าลืมทั้งหมดมันเกิดขึ้นโดยกุศลเจตนาะ เมื่อเขามีกุศลเจตนาทําไมเราตอบสนองด้วยอกุศลลเจตนาละ่ะทําไมเราต้องโกรธละ่ะเพราะจริงเนี่ยมันเป็นกุศลลเจตนาที่เขาบอกที่ยวเขากล่าวที่ยวเขาชี้แน่มันเป็นกุศลลเจตนาเพราเราก็ควรจะขอบใจเขาควรจะตอบกลับเขาหรือแม้บางทีเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเราคิดตัวเองเขาก็ว่าวเองเขาก็จะถี๋เขาก็ด่ดาเลย แล้วเลยก็ด่านะฮะคือในสมัยที่มีขาออ่าวเรื่องยันตะที่หนังสือพิมพ์ประโยงให้เกี่ยวข้องกันมาเนี่ยมันมีโยงคนหนึ่งคือเรานับถือแต่ไม่รู้จักกันเรานับถือข้อเขียนความคิดเรอ่านกันทั้นเพราะนาหนังสือพิมพ์ท่านโทรศัพท์มาด่าเลยบโยมบ้างไม่ลามาคุยกันหน่อที่ไม่มาแล้วเลิกพูดแล้วไม่นับถือแล้ว อเออไม่นะับผือก็อตัณใจโยนที่มันก็เป็นเรื่องความคิดของโยมเฉยๆไอ้เ น, นี้ยคือคือเราจะเห็นว่ามันมันเป็นเรื่องหน่าสลดนะเป็นเรื่องหน่าสลดที่เราไปเชื่อหนังสือพิมพ์ที่เราไปอ่านข่าวสังคมที่เราไปข่าวลือแล้วก็ตัดสินแล้ววินิจฉัยแล้วคนนั้นเลวไปแล้วคนนั้นดีไปแล้วเนี่ยมันข้อมูลมันอ่อนนะิดเดี เกิดมาเป็นคนทั้งทีหนึ่งอะ่ะแต่ทำไมไม่ใช่เหตุผลสติปัญญาบ้างแค่ขาวนั่ซื้อพิมพไปไปตัดสินแล้วนั่นคือคือคืออะไรคื อ, คอสแสดงว่ามันความความโกรธหรือโมหะนี่มันนำมันนาตัวอยู่พอก็เกิดก็ไปเลยรอความก็หน่อยความเหตุความผลก็น่อย ให้เราสังเกตว่าเนี่ยนี่ในกระแสที่ขัดแย้งในการเมืองอกกตเนี่ยเขาทําตามกฎหมายทุกกระทงความเพรเป็นนักกฎหมายเขาก็ทําตามกฎหมายอ่ะแต่ว่าพอดีไม่ถูกใจนะครัทั้งๆที่ถูกต้องเนี่ยถ้าไม่ถูกใจเนี่ยคนก็จะโกรวเพราะเราจะลองลองสังเกตอะเวลาเนี่ยที่่ทีๆๆคนเขาไม่ชอบมากเนี่ยก็คือกกต ยี่นึ่งก็คืออะไรล่ะศาลพระหนูที่เคยตัดสินไม่ไม่ไม่ไ ม, ม, มติเอกานนาสารน้ะคือศาลเนี่ยเขาถือเสียงข้างมากแต่พอศาลปกครองตัดสินให้ชอบใจตัวเองเลยเดยยก ย, ย่องกันใหญ่ยิ่แสดงว่าเราใช้อารมณ์เราแต่เขาจริงๆก็ทำตามกฎหมายทุกฝ่ายเนี่ยเขายุติโดยกฎหมายพอเราประทรมเราก็เกิดโทรศัท์แล้วเราก็ เกิดโมหะเพราะเราไม่ไม่ได้คิดว่า น, นี่คือข้อกฎหมายกับข้อเป็หจริงมันเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องทําอย่างนี้เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการกระทํำครับแะสะดงว่ามีทั้งโมหะแล้วก็มีทั้งโทสะแล้วก็มีทั้งความไม่อุดทนแล้วก็ออกมาพฤติกรรมที่กลายเป็นความขัดแย้งทั้ ง, งหลายเพื่อฟงทั้งหลายเสียงทรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คอยุติไว้ด้วยเวลาแผ่นดนี ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในธรรมตุ้มีและท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี